ลำดับขั้นตอนในการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อหนึ่งปริพภธ10ปริโธต์แปลว่าเครื่องผูกพันหรือหน่วงเหนียวซึ่งเป็นเหตุให้ใจพวักพวนห่วงกังวลไม่โปรง่งแปลกันง่ายๆว่าความกังวลเมื่อมีปริโธต์ก็จะทำให้ปฏิบัติก้าวหน้าไปได้ยากไม่อำนวยโอกาสแก่การเกิดสมาธิ จึงต้องกำจัดเสียปริโพศนั้นท่านแสดงไว้สิบอย่างคือหนึ่งอาวาสคือที่อยู่หรือวัดตนมีของใช้เก็บสะสมไว้มากหรือมีงานอะไรค้างอยู่เป็นกังวลแต่ถ้าใจาไม่ผูกพันก็ไม่เป็นไร 2. ตระกูลคือตระกูลญาติหรือตระกูลอุ ป, ปัิฐากซึ่งสนิทสนมห่างไปใจคอยห่วง ควรทำใจให้ได้ 3. ลาบเช่นมีคนเลื่อมใสามากมาหามาถวายของมัววุ่นอยู่ไม่เป็นอันปฏิบัติควรปลีกตัวไปหาที่สงัด 4. คณะเช่นมีคณะสิทธิ์ที่ต้องสอนยุ่งอยู่กับงานสอนและการแก้ความสงสัยควรทำให้เสร็จเรื่องที่ค้างหรือหาคนแทนเป็นต้นแล้วขอโอกาสลาไป 5. กรรมคือการงานโดยเฉพาะนวะกรรมคือการก่อสร้างควรทำให้เสร็จหรือมอบหมายแก่ใครให้เรียบร้อย 6. อัฏฐานะคือการเดินทางไกลด้วยกิตุระเช่นไปบวชพระเนนพึงทำสีให้เสร็จให้หมดกังวล 7. ดญาติทั้งญาติทางบ้านและญาติทางวัดเช่นอุปชาอาจาริศิ์ เพื่อนสิทธิ์เจ็บป่วยต้องขวนขวายรักษาให้หายจนหมดห่วง 8. อาา่าพาศคือตนเองป่วยไขย้รีบรักษาให้หายถ้าดูท่าจะไม่ยอมหายก็ให้ทำใจสู้ว่าฉันจะไม่ยอมเป็นทาสของแก่จะปฏิบัติละ 9. คันทะคือปริยัตหรือสิ่งที่เล่าเรียนเป็นปริโภ์สำหรับผู้วุ่นอยู่กับการรักษาความรู้ เช่นสาธยายเป็นต้นถ้าไม่วุ่นก็ไม่เป็นไรสิทธิธิคือริดของปุถุชนเป็นภาระในการรักษาแต่เป็นปริพโธ์สำหรับผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเท่านั้นไม่เป็นปริพโธ์แกการเจริญสมาธิโดยเฉพาะเพราะผู้ที่เจริญสมาธิยังไม่มีริดที่จะห่วง